ก็ที่จริงการสวดมนต์ก็คือท่านบอกว่ามีบอกว่าชเชิญเถิดเราทั้งหลายนะพาการตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเถิดท่านธรรมยังพุทธานุสติในยันจากโรมาเซ่เนี่ยะก็แปลว่าชเชิญเถิดเราทั้งหลายตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเถิดทีติปิโสภคาวาแม่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้บางวัดเขาก็กแปล ด, ด้วยนะบางวัดเขาก็สวดมนต์แปลเขาก็สวดไปก็คิด ถึงคุณของพระผู้มีพระภาคไปด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาไม่สวดแต่เขานั่งตรึกเจนพนถ้าเป็นสมัยสมัยพุทธกาลจริงๆเขาก็จะสาธยายคนเดียวหรือไปนั่งตรึกแต่ทีนี้สมัยนี้น่าจะเกิดจากคือผ้านเนนขี้เกียจอ่ะให้ไปคิดเองไม่ทําอ่ะก็ชวนมาสวดก็ ย, ยังดีดีกว่าไปปล่อยให้หลับตูตูอย่างนั้นเอาม า, มาสวดดีกว่ายังดีก็เกิดจากคือครูบาอาจารย์ก็พยายามจะหาอุบายเพื่อที่จะ ที่จะแนะนําอาจจะเอาอยังไงดีอ่ะบางคนเนี่ยให้ลึกซึ้งไม่ได้อ่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันพอยังพอมีอุปนิสยัยได้บ้างที่จริงของ ม, มาเองนะสวดมนบางอย่างเนี่ยนะถูกบังคับนะที่พี่สวดได้เนะสมัยเด็กๆมาเขาไม่รู้จะทําอะไรนะให้เราไปอ่านหนังสือธรรมะไม่เอาอยู่แล้วท่นก็เขาก็ไล่ให้สวดมนอย่างเนี้ยอ๋อสวดก็สวดนะถ้าสวดไม่ได้ก็ถูกเคี่ยนเอาเอาเอกลัวผูกเคียนกว่กลัวก็มันก็ได้กับเขาเหมือนกันนะแต่เชื่อไหมว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยช่วยอุปการะการศึกษาพระธรรมในตอนหลังนี่มากมายมหาศาลเพราะอย่างบาลีเนี่ยคนอื่นเขาทําไม่ได้ใช่ไหมเราจําได้เขาแปลบาลีคำนี้เออใช่อยู่ในบทสวดบทนั้นบทนั้นบทนั้ น, น, นเราจะนึกออกนะแล้วเราก็จะเรียนเบาเราก็ไม่ค่อยเครียดนักแต่คนอื่นเขาอู้เครียดเราก็ช่วยเยอะนะการทรงจําการท่องจําเนี่ยช่วยเยอะแล้วถ้าเราทรงจําเป็นสูตรได้จะทําให้เราลําดับเรื่องเป็น เพราะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคจะนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงธทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา ม, มารพรมพร้อมทั้งหมูสัตว์นะคือทําให้แจ้งแล้วทรงแสดงธรรมที่ไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางไพราะในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถ้าหากว่าเราตรึกพระธรรมนะถ้าจำได้เป็นสูตรๆเนี่ยในสูตรเดียวนั้นจะมีเบื้องต้นมีท่ามกลางและมีที่สุด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 เช่นถ้าคำพูดใดก็ตามที่พูดาพาทิ้งถึงโสภณธรรมทั้งหมดเลยนะคำนั้นขอให้รู้ว่านั่นคือนิมิตบ่งบอกความมักขสัตนะถ้าเป็นสัมโนนพสูตรนะจะเอาสูงสุดไว้เลยเช่นเจอคําว่าสติเมื่อไรเนี่ยขอให้รู้ว่าเนี่ยประเภทมักขสัตไว้คํานี้เนี่ยเป็นได้ทั้งโลกยะและโลกุตระนะถ้าเรียนสัมปโยค่านมาดีๆจะทําให้นึกออกเลยสติเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงหรือไปเจอคําว่าความเพีย พิสุผู้มีความเพียร น, นึกถึงสมมาประธานเอาไว้เลยไม่ผิดนะแล้วสมมาประธานประเภทไหนก็คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็เป็นมรคถ้าสัมมาวายามะเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์ปัจจัยใช่ไหมมรคมีอะไรเป็นอารมณ์มรคมีนิพานอ่าโลกุตระมรคมีนิพานเป็นอารมณ์ถ้าโลกยะมรคมีอะไรเป็นอารมณ์รู้นามรูปแต่คําว่านามรูปนั้นจะเหมาะกับ ผู้ที่เขารู้อย่างละเอียดแล้วคือเข้าใจวิปัสนาภูมินะโดยขันเนี่ยจําแนกได้หมดเลยโดยธาตุจาแนกได้ละเอียดโดยอยตนาะโดยสัจจะโดยอินทรีย์เนี่ยละเอียดหมดละเสร็จแล้วมาย่อใช้คําว่านามรูปถามว่าข้อความในวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศนะไปใช้คําว่านามรูปในทิฏฐิวิสุทธิซึ่งพูดถึงขันอย่างละเอียดละพูดถึงธาตุอย่างละเอียดอา ย, ยตนาะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุป บ, บาทอย่างละเอียดหมดละเสร็จแล้วเนี่ย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 แต่ของท่านเนี่ยนะสีเป็นรูปรู้สีเป็นนามสีเป็นขันอะไรได้บ้างท่านตอบไปได้หมดเลยนะสีเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นศาสจะเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจค่ข้อไหนท่านเข้าใจหมดเลยนามคือจักขูวิญญาณเนี่ยเป็นเป็นขันธาตุอายตนะข้อไหนไหนได้บ้างเนี่ยท่านสงเคราะห์ได้หมดเลยไม่มีติดขัดสักอย่างเพราะผู้ที่จะบำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิ์นะเมื่อเช้าที่เราเรียนกันว่าผู้นั้นต้องสะสมโดยการเรียนการสอบถามเป็นอย่างดี เมื่อเรียนสอบถามในเรื่องของวิปัสนาภูมินี้อย่างละเอียดแล้วพึงทำวิสุทธิสองอย่างที่เป็นมูลให้บริบูรณ์นะคือศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิที่เป็นมูลให้บริบูรณ์แล้วพึงบำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปแต่ก่อนที่จะบำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธินั้นคนเหล่านั้นต้องเข้าใจวิปัสนาภูมิเพราะในวิสุทธิมักบ่งบอกไว้แล้วว่าปัญญานิเทศในวิสุทธิมักคําว่าปัญญาหมายถึง วิปัสสนาปัญญาหมายถึงวิปัสสนาปัญญาอย่างเดียวเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมปัญญานี่ปัญญาหนึ่งปัญญาสปัญญาสามปัญญาสีปัญญาห้าปัญญาจนถึงแบ่งเป็นสิบก็มีปัญญาแบ่งบอกเป็นเจ็ดสิบสามก็มีนะปฏิสามพิธามกล่าวไว้ปัญญาเจ็ดสิบสามในคำพีนะในในญานนิเทศยาณเจ็ดสิบสามเฉพาะปฏิสามพิธามคาว่าปฏิสามพิธามเนี่ยมีสองพันกว่าปัญญา ในเรื่องเดียวอนาปาณสติมีปัญญาเกินสองรอยอย่างเงี้ยถ้าจะเอามาหมดนั้นโอโหเรียนไม่หวาดไม่ไหวไม่จบเป็นสักทิงท่านเลยบอกว่าเอาวิปัสสนาปัญญาประสงค์ในที่นี้แล้วอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาก็คือภูมิคืออะไรก็คือขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นขันจะต้องศึกษาทรงจำไว้ได้เสร็จแล้วจเจริญศีลเป็นต้นศีลก็คือความสุดจริญสามอย่างนั่นเอง ผู้ที่จะเจริญทิฏฐิสุทธินะพิ่จรณาขานธาตุอริยตนะท่านทั้งหลายเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุดจริตกายเป็นอย่างดีสุดจริตใจเป็นอย่างดีสุดจริตวาจาเป็นอย่างดีถ้าหนึ่งนะกายไม่สุดจริตวจีไม่สุดจริตมโนไม่สุดจริตมันจะลำเอียงแม้กระทั่งเรื่องกรรมเพราะว่านะวิปัสาานญาณที่สองก็คือกรร ม, มสัสการานั่นเองปัจจญาปริกขายานก็คือกรร ม, มสัสกาาเพราะ หนึ่งในการกําหนดปัจจัยก็คือการกําหนดโดยกรรมหรือโดยสมุทฐานนี้กรูป่มใช่ไหมปัจจัยของรูปได้แก่อะไรกรรมจิตอุตุและอาหารถ้าหากว่าหนึ่งนะกายกรรมเราไม่สุดจริตระดับหนึ่งวจีกรรมไม่สุจริศระดับหนึ่งมโนกรรมไม่สุดจริต ร, ร, ร, ร, ระดับหนึ่งนะมันจะลําเอียงแม้กระทั่งเรื่องกรรมลําเอียงเรื่องกรรมนะขนาดโลผ้าเกิดมันจะตีให้เป็นกุศลไม่ได้อใช่ไหมเอานะถ้าจะถามแบบทั่วไปเลยนะ ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมละเอียดระดับหนึ่งเลยเนี่ย <sk ull ing> เห็นเขานั่งดูน้ําไหลเอื่อยๆเนี่ยนะเราไปบอกว่าเขาเป็นอาคุศลเขาโกรธนะใช่ไหมจะว่าเขาเป็นอาคุศลได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้ไปด่าใครเลยไม่ได้ไปทําชั่วไม่ได้ไปตกเบ็ดไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมเราจะไปบอกว่าเขาเป็นอาคุศลไม่ได้เพราะเขารับไม่ได้หรอกแต่ไปถามว่าขนาดนั้นกุศลจิต ถานกุศลเขามีไหมศีลนกุศลมีไหมภาวนากุศลมีไหมบอกไม่มีแล้วเขาจะตอบเขาเองว่าเออฉันเป็นอักุศลแต่เราอย่าไปบอกเขาว่าเขาเป็นอักกุศลเขาจะไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้นส่วนทั่วไปเลยนะถ้าไม่เอาเหตุผลหลักการมามาค่อยๆถามนะจะยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอักกุศลถ้าอยู่อย่างนี้นะถ้าที่ผ่านมาเราอาจจะพูดได้เต็มปากเต็มคาเลยว่าเออตอนนั้นเป็นอกุศล แต่ถ้าขนาดนี้นะเขาค่อยถามตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดเวลาเลยนะจิตขนาดนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเอาคําถามแบบนี้ถามแวีนละสามร้อยครั้งก็พอนะแล้วขณะมองเห็นเนี่ยเออเห็นใบโพเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลนะถามแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร่อยๆไปเนี่ยไม่ไมนะมันจ ะ, ม, นจะมันจะตีสง่งลงกุศลอย่างเดียวไม่อยากบาปอะ่ะใครอยากบาปบ้างนะมันจะมันจะ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 คำสอนเรื่องกรรมนี่คือคำสอนธรรมะหมวดไหนปฏิจจสมุปบาทคือคำสอนเรื่องกรรมโดยกรรมเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแสดงไว้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นปัจจะเปริกหายานก็คือปฏิจจสมุปบาทวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจยัยมีสังขารเป็นปัจจยัยสังขารก็คือกรรมนั่นเองจกคูวิญญาณ น, นี้มีเจตนาเป็นปัจจยัยโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณ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 ไม่มีนิมิตเลยภวังคจิตเนี่ยเป็นนามธรรมซึ่งทํำไรข้องไม่ได้สักอยาก่างจะไปพอะพูนก็ไม่ได้ฉันชีวิตของคนหลับถือว่าเป็นหมันตื่นมากเกินไปอีกประมาชล่าใจาไปอีกจุติจิตก็เกิดง่ายอีกันภวังคจิตเนี่ยนะเป็นจิตที่วานไวยที่สุดเลยหาความมั่นคงไม่ได้เขามีปัญหานะจิตดวงสุดท้ายเป็นจุติทันทีนะพร้อมที่จะเป็นจุติทันทีเลยนะถ้าเขาไม่ไม่เกิดต่อไปอีก อันไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรเลยแล้วที่เหลือเนี่ยนะกายวาจาของเราเนี่ยพบใหม่เริ่มมีนะอ น, นถ้าพบใหม่มีขึ้นสร้างพบใหม่ไปเรื่อยอย่างนี้ถ้าผู้ที่ต้องการรือวะตะก็เริ่มมาผ่าทำวิจัยเรื่องชีวิตนะโดยแง่มุมต่างๆว่าชีวิตของเราจริงๆที่อยู่นี่ก็คือขันนะทำไมมันจึงเป็นขันอะ่ะทำไมจึงเป็นธาตุทาไมจึงเป็นอายตนะทาไมจึงเป็นสัจจะ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 นะจิต ท, ที่ทําให้พูดนี้เป็นมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเพราะอะไรอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณนะความประชุมสามอย่างเป็นผัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเกิดอีกแล้วใช่หการบอกว่าบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนสองไงไม พอมีตัณหาเป็นมีตัณหาเป็นนามเกิดนะมะโนมโนวิญญาณมโนสัมผัสเวทนาเสร็จ แ, แล้วก็ตัณหา เ, าเกิดอีกแล้วเหรอเพราะทำไมวันๆเกิดบ่อยแท้ <c oughs> ลักษณะสูตรซึ่งได้กราบเกือบสองอาทิตย์พอดีเลยโอ้เป็นตัศนูที่ยาวมากอยู่ในหมวดที่ข้ากายเราเราสนทนาเรื่องอื่นด้วยก็กายก็เรื่องก็ยาวเหมือนกันข้อความใน ลักษณะสูตรซึ่งเป็นสูตรที่กล่าวถึงลักษณะของกรรมที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีมหาบุริษลักษณะที่เรียกว่าลักษณะของผู้ที่เป็นมหาบุรุษความเป็นมหาบุรุษนั้นรูปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งด้วยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบ่งบอกอันมหาบุริษลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษอันนี้นี่ก็มาจากการทํากรรม กรรมอะไรบ้างซึ่งเราก็ฟังมาหลายกรรมและวันนี้มาดูกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สายตาบ้างการใช้สายตาก็เป็นกรรมเหมือนกันนะึงก็ความในคำพีท่านกล่าวว่าดูก่อนภี่สุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกาเนิดก่อนไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองตาดูก็คือพวกนี้ ลักษณะการใช้สายตามองด้วยความโกรธนั่นเองคือว่าไม่ใช้สายตาแบบนี้มองเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูตรงตรงและแลดูพระหูชนด้วยตาหน้ารักมองด้วยเมตตาจิตนั่นเองตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตน ร, รมสังสมพอกูนภัภยบุ์ ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระเนตรสีดำสนิทเรียกว่าตาตรงที่ควรดำเนี่ยดำสนิทเลยมีดวงพระเนตรดุจตาโคตาเหมือนกับตาวัวพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลอะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วน่ารักใคร่น่าพอใจของพรามและเครหบดีของชาวนิคมของชาวชนบทของหูราจารย์มหาอ ม, มาตย์กองทหารของนายประตูอ ม, มาตย์บริษัทของพวกเจ้าเศรษฐีของพระรา ช, ชกุมารก็เรียกว่าเป็นที่น่ารัก ใครน่าพอใจว่า ง, งั้นใครก็อยากดูใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นถ้าพระมหาบุรุษทรงออกผนวดจะได้เป็นพระอาหารหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก mm. เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้อีกคือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วรักเป็นผู้ที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทันคือใครๆก็หวังที่จะพบหวังที่จะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าบางคนบอกว่าถึงจะเดินทางเป็นร้อยโยต์พันโยต์เพื่อที่จะไปพบไปเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะไปนะคิดดูอย่างผู้การก็บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะไปอีกแล้วใช่ไหมขนาดร่องรอยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมคนก็ยังไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปตามลำลึกนึกถึง ใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นผู้ที่มีลักษณะที่ประกอบด้วยบุญอย่างนั้นนั้นเป็นที่รักใคร่พอใจของพูทธบริษัททั้งหลายเป็นที่รักใคร่พอใจของเหล่าเทวดาทั้งหลายอันเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีไม่มีโทษภัยแม้แต่นิดเดียวเลยในตัวของพระองค์เองอันพระองค์นั้นมีคุณงามความดีอยู่ในในตัวพระองค์นี่มากมายมหาศาลซึ่งผู้ที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วสบายใจ สุขภาพจิตไม่ดีนะเหนื่อยล้าฟุ้งซ่านไม่สงบไม่มีความมั่นใจขาดความมั่นคงถ้าตามละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสักพักหนึ่งความสงบมันจะเกิดขึ้นความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเรียกว่าใจนี่เริ่มมีกำลังขึ้นขณะที่ใจฟุ้งซ่านใจขณะนั้นนี่อ่อนแอเป็นใจที่ไม่มีกำลังใจในขณะนั้นขาดอะไร ขาดศรัทธาศรัทธาพระละไม่มีอ่าพอไม่มีศรัทธาพระละปุ๊บตามระลึกนึกถึงคุณของท่านอ้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นต้นปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากอุทะจักกุ ก, จกุจักเป็นผู้ที่สงบประงับเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณหวังประโยชน์เพื่อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนึกถึงหนะเนะหน้าของพระองค์ที่เอิ่มไปด้วย พระเมตตาเมตตาของพระองค์นี้เป็นเมตตาระดับอัปปมัญญาเป็นเมตตาระดับฌานที่สูงสุดเป็นสายตาที่ไม่ไม่ค้อนดูใครด้วยสายตาแห่งความโปรดเวลาพระองค์จะกล่าวกับผู้ใดนั้นจะเจริญกรุณาหรือจะเจริญเมตตาก่อนแล้วพระองค์จึงกล่าวนั้นสภาพจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยิงเป็นจิตที่สงบร่มเย็นเสียงนี้เป็นจิตตชลพบใช่ไหม เสียงเป็นจิตตชรูปมาจากพระมหากรุณาที่คุณมหากรุณาที่คุณนั้นเป็นมหากิริยาจิตซึ่งสมุดฐานก็คือมหากิริยาจิตมหากิริยาจิตอนั้นเนี่ยเป็นจิตที่ได้รับการบ่มการอบรมการสะสมมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้มาก่าวให้อวาดแก่เหล่าสรพพะสัตทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังกัน ถ้าเป็นของคนโบราณก็จะได้ยินได้ฟังพระสุรเสียงคือเสียงของพระองค์โดยตรงแต่ของเราในยุคนี้ก็บันทึกมาเป็นหนังสือเป็นอักษร อ, อ่านแล้วก็ยังนึกไม่ออกเอเสียงจะเป็นอย่างไรก็พยายามนึกถึงเราเนี่ยบุญ น, น้อยนะโสตะวิญญาณไม่มีเพียงพอที่จะได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วเราจะขูวิญญาณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพลัลลสะผู้ที่มีสีหน้า เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจนพานคือเมื่อไรเราจะได้มีบุญนะนะให้ได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกชื่อเราเนาะก็บอกว่าชื่อของตัวเองนั้นเป็นเป็นคำที่ทุกคนฟังแล้วเพาะมากเขาว่างันถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคนะเป็นที่เราเคารพสักการะนับถือบูชาเทิดทูนแล้วเรียกชื่อเราเนาะคงจะมีความสุขมากก็บอกว่าพระบางองค์สมัยพุทธกาลนะ อยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยเรียกชื่อตัวเองมานั่งฟังธรรมเนี่ยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเอยชื่อเราแล้วแสดงธรรมบางคนนี่ตั้งความปรารถนาไว้ย่างนั้นเลยเนะร็จวันไหนพระองค์ไม่ได้เรียกชื่อแหมไม่ผ่องใสเลยไม่สดชื่น้อยพระองค์น่าจะเรียกชื่อเราแล้วพระองค์น่าแสดงธรรมแต่พระองค์นี่ไม่ได้ตามใจใครนะเพือสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เป็นสาระมีคุณค่าพระองค์ก็ทําถ้าไม่เกิดประโยชน์นะ นั่งทั้งคืนก็ไม่แสดงคำบางสูตรเนี่ยนั่งทั้งคืนไม่แสดงไม่พูดแม้แต่คําเดียวไปพูดสว่างละอย่างบางแห่งเนี่ยไปฉันเจดวันไม่อนุมโมทนาแม้แต่ครั้งเดียวบอกบริษัทไม่บริสุทธิ์ไม่ควรแก่การแสดงธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่เขาถวายทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอนะของพระเจ้าประเปรตที่โกศลนนีะ่ทีนี้มีอัมมาศอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจที่พระราชาเนี่ยทําบุญอย่างนี้กลัวพักพลังจะหมด พอองก็ฉันเสก็กลับฉันเสร็จก็กลับออก็แปลกใจทําไมพระ อ, องค์แม่นุโมธนามบบริษัทไม่บริสุทธิ์ก็ว่าคนตณีนี้ไปเทวโลกไม่ได้เพราอมตะวันนั้นเนี่ยความตณีเกิดขึ้นในจิตมัจฉริยะเกิดขึ้นในจิตโอ้ยหมดแต่เลี้ยงพระเลี้ยงสงเลี้ยงอะไรอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็หมดตัว <c oughs> มันคล้ายๆกับเทวดาที่ที่เฝ้าบ้านอนาถาบินฑิกาเศรษฐีนะเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูบ้านอนาถาบินฑิกาเศรษฐีก็มีลักษณะเดียวกัน มัจเฉริยะเจตสิกนะหรือว่าจิตประเภทขาดมุทิตาเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ไม่ยินดีนะไม่ยินดีที่คนให้ทานเป็นต้นทีนี้ต่อไปนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองดูเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูพหูชนด้วยปิยะจักษุเขาบอกว่าแลดูด้วยสายตาอันเป็นที่รักนะปิยะแปลว่าเป็นที่รักใช้สายตาด้วยเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีตาของเราเนี่ยเขาบอกว่าตานี้เป็นหน้าต่างของดวงใจเลยว่าจิตใจเลยนั่นแหละ อันถ้าลักษณะสีหน้าแววตาเนี่ยฟ้องได้เลยว่าสภาพจิตคนนั้นขณะนั้นเป็นอย่างไรจิตเป็นโทสะตาจะเป็นอย่างไรจิตเป็นโลภาตาจะเป็นอย่างไรจิตเป็นโมหะตาจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าจิตเป็นโทสะเนี่ยตาจะดูแข็งเกร่าถ้าหากว่าจิตเป็นลักษณะโมหะตาละห้อยเลยกรุงฟ่านสายตาเนี่ยถ้าดูอะไรก็ดูไม่ได้ดูอยู่กับที่หรอก ไปเรื่อยแต่ถ้าหากว่าสายตาที่เป็นเมตตาจะเป็นสายตาที่เป็นไปด้วยกับความชื่นชมความชื่นชมตื้นตันลักษณะเนี่ยนะมันก็จะประกาศออกมาทางตาเพราะว่าสายตานั้นช่วยช่วยบอกเรื่องจิตแต่ชรูปเป็นอย่างดีเพราะว่าสีนี่แปลว่าประกาศรูปเพราะอ่านว่าประกาศสีนั้นๆเนี่ยประกาศอย่างถึงจิตของคนเหล่านั้นเลยนะ เพราะว่าสีบางอย่างก็เช่นสีหน้าแววตาก็เป็นลักษณะของจิตตะชรูปด้วยอันการใช้สายตาในการแลการเหลียวเนี่ยนะของธรรมาเมื่อก่อนไม่เคยคิดแล้วเออนี่ก็เป็นเครื่องมือของการทํากรรมเหมือนกันเลยเนี่ยไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าเราเคยคิดแต่ใช้มือใช้ไม้ใช่ไหมใช้มือใช้ไม้ใช้วาจาเนี่ยเราก็มองเป็นกรรมแต่ในขณะเดียวกันนะการกลิ้งกรอกสายตาเนี่ยนะก็เป็นเครื่องมือของการทำกรรมเหมือนกันหรือว่า เป็นจิตตชรูปใช่ไหมอารมณ์นั้นเกิดจากเจตนาเป็นต้นเป็นปัจจัยพันเจตนานั้นอาศัยเครื่องมือคือจิตตชรูปเนี่ยก็ทำกำํากรรมพันจิตตชรูปเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตาด้วยถ้าคนที่ใช้สายตาด้วยเมตตาสายตาก็เป็นสายตาที่น่าดูน่าชมเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าใช้สายตาประเภทโทสะคนนั้นเนี่ยขบอกไม่มีใครกล้าตบตาง่ายๆ ัการใช้สายตานั้นก็เป็นเครื่องมือแห่งการทํากรรมเมื่อเป็นเครื่องมือแห่งการทํากรรมเนี่ยสำเนีจอสวร์ส่สใจไว้เถอะในขณะที่เราแลเราเหลียวไปเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยลกลิ้งปรอกสายตาเหลียวซ้ายแ赖ขวาเนี่ยสังวรเถวว่านั่นแหละเป็นนิมิตแห่งการทํากรรมเราเคยได้ยินแต่นิมิตการทํากรรมประเภทใช้ปืนใช้มีดใช้ไม้ให้ข้าวให้ของใช่ไหมแต่การกลิ้งสายตาแต่ละวันแต่ละวันนี่มากมายมหาศาล ทำอย่างไรจึงจะมองด้วยสายตาที่เป็นกุศลได้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกไม่ศึกษาไม่อบรมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเป็นเรื่องที่น่าเสียใจโอ้ยมีดวงตามาตั้งนั้นใช้ตามาเป็นสิบสิบปีแล้วน่าจะเอาตาเนี่ยเป็นนิมิตแห่งการทำบุญบ้างใช่ไหสายตาเหล่านี้เนี่ยนะเราคิดดูว่าทาไมเนี่ยคนบางคนจึงตาเขทําทำไมบางคนจึงตาเอียงทำไมบางคนจึงตาเหล่ ทำไมบางคนเนี่ยตาขาวมากตาขาวมากเพราะนี้ไม่เป็นเครื่องหมายของการทํากรรมทำไมบางคนตาบอดข้างเดียวทําไมบางคนเนี่ยลืมตามองมากแสบตาอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมเนี่ยเพราะนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการทํากรรมเพราะท่านเจงอธิบายว่าไม่ถลึงตาดูคือไม่เพ่งตาดูด้วยอํานาจความโกรธเหมือนปูนําตาออกเคยไหมเคยมองใครด้วยความโกรธไหมนั่นอ่ะตาบาปเลยนะ ทำเหตุไม่ดีไว้แล้วไม่ค้อนตาดูก็คือไม่ชายตามองเคือว่ามองด้วยความโกรธนะเคยไหมใช้ตาที่แข็งมากเลยนะจะบอกว่ามองให้มันตายได้กยิ่งดีบางคนเนี่ยเป็นลักษณะ น, นั้นเลยอ่าบางบางคนเนี่ยเป็นประเภทสายโทสะนี่จะเป็นลักษณะ น, นั้นนะจะใช้บังคับด้วยการใช้สายตาที่ที่แข็งมากหรือพวกประเภทฝึกสิลเยอะๆเนี่ยตาก็จะแข็งมันจะจ้องอยู่ที่เดียวมาก ประเภทฝึกสายตาแข็งเนี่ย่าถ้าหากว่าเจอคนชนิดนี้เนี่ยหูเราเนี่ยกลัวเลยนะตาเนี่ยมันมีอนุภาพมีเดชมากแต่ถ้าคนที่ใช้สายตาแบบประเภทโทสะเนี่ยใครเห็นแล้วก็อยากวิ่งหนีไปเป็นไปไกลที่สุดเลยนะคือมันน่ารังเกียจอ่ะคือสภาพจิตที่เป็นสมุดฐานให้สายตาแบบนั้นเกิดขึ้นจิตชนิดนั้นเป็นจิตที่น่ารังเกียจเป็นจิตที่มีโทษอันโทสะนั้นจึงไม่เป็นที่ปรารถนาของทุกหนทุกแห่งนั่นแห ล, ห ล, หละ บทกว่าไม่ชำเลืองตาดูความว่าผู้ที่โกรธหลับตาไม่ดูในขณะที่คนอื่นเขาดูกลับโกรธมองดูผู้ที่เดินไปอีกพระตะถาค ต, ตไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใช้สายตาที่ประกอบไปด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสมุฐานแบบนั้นคำว่าเป็นผู้มีใจตรงเป็นปกติความว่าเป็นผู้มีใจตรงเป็นผู้เพ่งตรงคือเป็นผู้เพ่งอย่างเปิดเผยคือภัยบณ์ กว้างขวาเช่นเดียวกับใจตรงบทว่าดูน่ารักคือพึงดูด้วยใจรักกรรมคือการดูด้วยจักสุเป็นที่รักของมหาชนตลอดกาลนานชื่อว่ากรรมในที่นี้ก็คือใช้สายตาที่เจริญเมตตานั่นเองผู้ที่มีเมตตามากๆนะสายตาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งสายตาที่เกิดขึ้นขณะโทสะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันถ้าหากว่าผู้ใดสังเกตสภาพจิตของตัวเองมากๆนะ มองอย่างเดียวกันมองวัตถุสิ่งเดียวกันถ้าสภาพจิตเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยนะจิตต่ชรุปเกิดขึ้นจะอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าโทสะเกิดขึ้นนะแม้แต่สายตามันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เกรงอยู่ในตัวของมันแต่ถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดบ่อยๆมันเป็นการพักสายตาในตัวด้วยสังเกตดูผู้โกรธเมื่อแลดูย่อมเป็นเหมือนตาคนตาบอดข้างเดียวกลัมองด้วยความโกรธนะเนะ เหมือนตากาย่อมเป็นคนตาเละและตาขุนโมทีเดียวเรียกว่าคนตาขุนบอกว่าบางคนเนี้ยตาเหลือกตาเหลืองเคยได้ยินไหยมีโจรคพชฌฆาดฆ่าโจรเนี้ ย, เ ข, ขน เ, นยเขาเป็นคนที่ตาเหลือกตาเนี่ยเหลืองตาไม่ใสผู้ที่มีจิตใจผ่องใสเมื่อแลดูประสาทมีสีห้าของตาทั้งสองนั้นก็ปรากฏเรียกว่าด้วยกุศลจิตอย่างนั้น ก็ตาของพระตถ า, าคตย่อมทรงแลดูอย่างนั้นอันหนึ่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงดูรู้ความที่พระตถ า, าคตนั้นทรงแลดูด้วยจักรสุเป็นที่รักตลอดกาลนานด้วยเหตุดังนั้นพระมหาปุริสลักษณะสองประการกระทำความสมบูรณ์แก่พระเนรย่อมเกิดขึ้นเชื่อว่าคล้ายกรสภาพเจตนาที่เคยมองเอาไว้เนี่ยเป็นสายตาที่ดี อคิดดูนะว่ากรรมที่จะมาแต่งให้ได้ได้มหาปุริสลักษณะเนี่ยนะกรรมที่เจริญประเภทเมตตามากๆมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักมาแต่งตาของพระ อ, องค์กรรมบางอย่างมาแต่งสีผิวใช่ไหมกรรมที่แต่งสีผิวกรรมประเภทไหนกรรมที่แต่งสีผิวก็กรรมประเภทให้ผ้าละเอียดเป็นต้นนั่นเองอันกรรมตั้งมากมายเนะี่ยมาแต่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ ข้อความในบาลีว่าพระองค์นั้นสเสวยวิบากอันเป็นผลบันเทิงอยู่ในสุขติทั้งหลายมาในโลกนี้มีดวงพระเนตรดุดตาโคตาวัวเนี่ยดูไม่เป็นพิษเป็นพายจริงๆนะถ้าใครเคยสังเกตตาวัวเวลาลืมตาดูนะแต่ตาของสัตว์บางอย่างเนี่ยดูเป็นพิษเป็นภยัยแต่ว่าตาวัวนั้นดูแล้วสบายตามกันไม่ไม่ไม่ไ ม, มีพิษดูพเรียกว่าตาเสื้อๆนะถ้าเย่งแบบวัวที่จะไปฆ่าด้วยตาเนี่ยหน้าองสาร แต่ตาวัวเนี่ยจะดูดูดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าตาสัตว์อื่นๆเนี่ยบางทีถ้าตาเสือเนี่ยโหแค่แค่เลี้ยวมาเนี่ยเราก็เสียวละเพราะฉะนั้นพระองค์นี้มีพระในตาดำสนิทมีการเห็นแจ่มใสพวกมนุษย์ผู้ประกอบในลักษณะศาสตร์มีความละเอียดผู้ฉลาดในนิมิตมีบทมากฉลาดในการตรวจเห็นในตามีสีดำสนิทและดวงตาเป็นดุจตาโค จะชมเชยพระราชกุ ม, มารนั้นว่าพระองค์นั้นเป็นที่น่ารักพระมหาบรุษดารงอยู่ในเครือหัดเป็นที่เห็นน่ารักเป็นที่รักของชนมากก็ถ้าพระองค์ละเพศเครือัดเป็นพระสมณะแล้วย่อมเป็นที่รักของพระหูชนและยังชนเป็นอันมากให้สั่งโกพระองค์นี้เป็นที่รักของคนด้วยและพระองค์นั้นสา ม, มารถที่ขจัดความเศร้าความโศกของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยอันผู้ที่ มีความทุกข์ทางใจมากๆนะถ้ายิ่งยิ่งสมัยก่อนคนที่มีปัญหาในชีวิตมากๆหาความสงบความร่มเย็ยนให้แก่สภาพจิตตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยคนประเภทนั้นได้ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนเนี่ยค่อยอยังชั่วหน่แต่ว่าคนอื่นในของธรรมาเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเนะเป็นมันโภเป็นคนน่าโภมนัดลึกๆมานานพอถ้ามันมาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วจึงรู้สึกว่าเออค่อยโล่งใจหน่อยแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ย เป็นคนที่มองอะไรมันเครียดตลอดเลยหาความสุขกับเขาไม่ได้หรอกคนอื่นเขาสนุกไอ้เรามันสนุกยังไงวะมองไม่เห็นทางเลยคนอื่นเขามีความสุขเขาก็อายุเท่าๆกันเนี่ยเขาก็เพลินสนุกเราไม่สนุกเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรพอมาศึกษาพระธรรมคาสอนนะี่ยมันค่อยลุ่งๆใจหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจมากอะไขยย่ยังยังยังมีขึ้นเป็นพักๆนะไข่ใจยังไม่ถึงกระส่าแต่ก็ถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมันทุกทุกโดยที่หาสาเหตุไม่เจอ นะต่อไปนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในธรรมะทั้งหลายฝ่ายกุศลเป็นประธานของชนเป็นอันมากด้วยกายสุจริตด้วยวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตเป็นหัวหน้าในการทำบุญนะในการบาเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถ เนี่ตรงนี้น่าจะมีม้างนะชักชวนฟังธรรมนี้่นะแจะ ไ, ได้มีโยมผู้การอยู่ตรงนี้ด้วยมั้งก็คือแม้แต่ชักชวนในการฟังธรรมก็ชื่ออยู่ในบําเพนบําเพนอะไรบําเพนมโนสุดจริตนะเพราะการฟังธรรมนี้เป็นเรื่องของมโนสุดจริญแต่ถ้ากล่าวธรรมนี้เป็นวจีสุดจริญแต่ถ้าฟังธรรมนี้เป็นมโนสุดจริตแต่ที่จริงก็ได้ทั้งกายด้วยในขณะที่ขยับกาย ก, ายก็เป็นกาย ในขณะที่พูดก็เป็นวจีขณะที่นึกคิดก็เป็นทางใจดังั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ชักชวนเชิญชวนให้เจริญสุดจริตทั้งหลายแล้วก็ในการปฏิบัติดีในมารดาในการปฏิบัติดีในบิดาชักชวนในการดูแลบิดามารดาในการปฏิบัติดีในสมณะการปฏิบัติดีในพราหมณ์เป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในธรรมะเป็นอาธิกุศลอื่นๆ ยังมีกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปประเภทอื่นอีกด้วยแต่าคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพภูนภัยบู์ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะนี้คือมีพระเสียนได้ปริมนทลดุดประดับด้วยพระอุณหิตเรียกว่ามีหน้าหน้าเป็นกรอบว่างั้นเถอะหน้าดูหน้าชมมนะ เกิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนึกไม่ออกเลยนะมานึกไม่ออกเลยรู้เป็นยังไงพยายามมานมาจะให้เนรมิตให้ดูตั้งไหนพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับผลพิเศษข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์เป็นครหปดีชาวนิคมชาวชนบทโฮราจาร์มหาอมาตกองทหาร น, นายประตูอมาตบริษัทผู้เป็นเจ้าเป็นเศรษฐีราชกุมาร คือพระ อ, องค์ทำอะไรเนี่ยประชาชนเนี่ยคล้อยตามหมดก็เหมือนกับในหลวงใช่ไหมโครงการในพระราชดําริดำริแลล ว, ว่าคิดแค่ในหลวงคิดคนก็ทําตามแลอย่างนี้ถ้าหากว่าคนมีบุญเนี่ยแค่คิดเฉยๆเนี่ยก็มีคนรับสนององค์การและแต่ถ้าคนไม่มีบุญนั้นนั่งบ่นอยู่เจ็ดวันสามวันวันละหลายๆตลบก็ไม่มีใครทําตามซะคนเนี่ยนะบุญมันต่างกัน น, นะเนาะถ้าพระมหาบุรุษออกผนวดจะได้เป็นพระอรหันต์ตมาสำมสำพุทธเจ้า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 พุทธบริษัทในยุคนี้ก็ยังคล้อยตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพระลักษณะนี้ว่าพระมหาบุรุษเป็นหัวหน้าในธรรมะทั้งหลายที่เป็นสุดเจริญนะชวนคนทาดีอ่ะทรงยินดีในธรรมะจริยาเป็นที่คล้อยตามชนเป็นอันมากสเสริผลบุญในสวรรค์ รั้นเสวยผลแห่งสุจริตแล้วมาในโลกนี้ได้ถึงความเป็นผู้มีพระเศียรดุดประดับด้วยอุณหิตพวกที่ทรงจำพยัญชนะและนิมิตอยู่ทำนายว่าพระราชกุมารนี้จะเป็นหัวหน้าหมู่ชนเป็นอันมากแค่กรอบหน้าเนี่ยก็บ่งถึงลักษณะว่าจะเป็นหัวหน้าคนได้หรือเปล่านะพวกที่เรียนตำราประเภทลักษณะมาเขาสามารถบอกได้เลยว่าเออเข้าโครงหน้าแบบนี้เนี่ยเป็นผู้นาหรือไม่เป็นผู้นา ที่ที่เขาเรียนมานะของแต่มาไม่ได้เรียนมาหรอกดึงมาเรียนตรงนี้แหละแต่ก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีหมู่ชนที่ช่วยเหลือพระองค์ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้จักมีมากคนช่วยพระองค์เนี่ยเยอะจริงๆแม้ในเบื้องต้นในครั้งนั้นพวกพราหมณ์ก็พยากรณ์พระองค์ว่าพระราชกุมารนี้ถ้าเป็นกษัตริย์จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะได้รับความช่วยเหลือในชนเป็นอันมากโดยแท้ ถ้าพระองค์ออกทรงพนวดจะปราดเปรื่องมีความชํานาญวิเศษในธรรมะทั้งหลายและชนเป็นอันมากจะเป็นผู้ยินดียิ่งในคุณคือความสั่งสอนของพระองค์จะคล้อยตามคนเป็นอันมากก็จะคล้อยตามพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายังคล้อยตามพระองค์เลยเนะถึงกับกล่าวว่าเอาพระผู้มีพระภาคเอาพระธรรมคําำคำสอนเป็นสารณะเป็นที่พึ่งใช่ไหมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้ชี้นําทางชีวิต จะขอพูดขอคิดตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละขอปฏิบัติตามพระ อ, องค์กล่าวเรื่องกรรมก็พยายามที่จะเห็นตามพระ อ, องค์บอกขันห้าไม่เที่ยงเราก็พยายามคิดตามพระ อ, องค์บอกว่าขันห้าเป็นอนัตตาเราก็พยายามคิดตามมันเป็นได้ยังไงหาเหตุหาผลมาติดตามพระ อ, องค์ท่านใช่ไหมเพื่อที่จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอั้นชนเป็นอันมากก็จะคลอยตามพาการประพฤติปฏิบัติตามวันนี้อ่านในโพธิราชกุมารสูตร คำเพีมัชฌิมในกายมัชฌิมปันนัท อ, องค์คุณของผู้ที่ปฏิบัติความเพียนะนะเพื่อบรรลุรมข้อต้นก็คือมีศรัทธาข้อต้นคือมีศรัทธาในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะศรัทธาในความเป็นพระอาหารหันต ร, รัโลชชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นเนี่เป็นคุณข้อต้นเลยของการบําเพ็ญเพียร เ, เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ขาดศรัทธาแล้วขาดศรัทธาในคุณของพระตถาคตแล้วหวงความเจริญยากที่สุด เขาจะปฏิบัติธรรมะหมวดใดก็ตามถ้าธรรมะหมวดนั้นนนั้เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเขาจะไม่งอกเงยเลยเขาบอกว่าแค่ครูยังไม่เคารพครูเลยนะจะเคารพวิชานั้นได้อย่างไรั น, นผู้ที่ไม่เคารพพระธรรมหรือไม่เคารพพระผู้มีพระภาคแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคารพในธรรมะที่เขาปฏิบัติเท่าไหร่เพราะก็ไม่ถึงกับเคารพในเจ้าของแห่งธรรมฉันใดผู้ที่ถ้าเคารพพระธรรมหมวดนั้นจริงๆที่เขาปฏิบัติเขาจะต้องเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า มันเป็นคุณข้อต้นของการเจริญท่านบอกว่าของการเจริญไม่ปัสนาเลยคือศรัทธาในพระตถ า, าคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนเหล่านี้เราจะแน่ใจนะว่าสิกขาที่เราปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงอธิสีและสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาที่บาเพ็ญที่ประพฤติปฏิบัต น้อมไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบไหยอันถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เราประพฤติปฏิบัติตามด้วยสภาพจิตที่มั่นคงแต่ถ้าหากว่าเออพระพุทธเจ้าก็สงสัยแสดงว่าะธรทำที่เราปฏิบัตินั้นก็ไม่มั่นใจก็ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจอันถ้าหากว่าเอาที่ว่าพุทธศาสนิกชนที่ขาดความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า ในผู้ทศศาสนิกชนนั้นๆเนี่ยนะขอ ม, มาเชื่อเลยว่าไม่มีความมั่นคงในธรรมะที่เขาปฏิบัติเท่าไร่ถ้าถ้าธรรมะนั้นเป็นคําสอนนะเขาจะไม่มีความมั่นคงในธรรมะนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าธรรมะนั้นไม่ใช่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาอาจจะมั่นคงเพราะเป็นของบุคคลอื่นใช่ไหมเขาเคารพในบุคคลที่แนะนําเขาเขาก็จะเคารพในบุคคลที่แนะนําเขาเขาก็นึกว่าเออนี่แหละสุดยอด แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ใดก็ตามวันนี้นี่อ่านในในพระสูตรสูตรหนึ่งมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งฟังธรรมจากพระมหากัจจยนะฟังธรรมเสร็จนะเลื่อมใสประกาศแสดงพระมหากัจจยนะเนี่ยเป็นสารณนะข้าพเจ้าขอถึงพระมหากัจจยนะเป็นสารณนะพร้อมทั้งพระธรรมและทิ่สูสงฆ์ขอถึงท่านเป็นสารณะเลยพระมหากัจจยนะบอกว่า มหาบาพิธอย่าถึงอาตมาภาพว่าเป็นสารณะเลยขอให้มหาบาพิธถึงถึงสารณะที่อาตมานับถือว่าเป็นสารณะให้มหาบาพิธเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารณะของอาตมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามหากจัจยนะนั้นจะดึงพระราชาพราะองค์นั้นเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมและเข้าถึงพระสงฆ์นั้นถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ที่เขามีความ หวังดีต่อสิทธ์จริงๆเขาจะต้องชักชวนที่เรียกว่าสิทธ์ของเขาเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงไตราสารณคมเพราะเขาไม่ถือว่าเขาเป็นเจ้าของแห่งธรรมเพราะเพราะว่าครูอาจารย์เหล่านั้นก็จะต้องมีพระธรรมเป็นสาระมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสรราระพาะนั้นก็จะพยายามชักชวนให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงไตราสารณคมด้วยไม่ใช่ให้มาถึงผู้นั้นเป็นสาระ เพราะว่าผู้ที่กล่าวทำเขาบอกว่าคนที่กล่าวทำนะคือคนอ่านสารธราชาเนีเหมือนอาตมามาอ่านนี่แหละถ้าใครมาบอกว่าธรรมะของอาตมานะโอ้ตายเนี่ยอยากร้องให้เลยอ่ผิดพลาดร้ายแรงมากทำมาเข้าใจว่าของอาตมาถ้าผิดใช่เลยของอาตมาใช่เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซนลยถ้าผิดนะถ้าถูกของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันตรวจสอบเทียบเคียง กับพระสูตรพระวินัยและพระพิธรรมต่างๆสอดคล้องเหมาะสมไหมเอาตรงนั้นเป็นหลักเอาตรงนั้นเป็นประมาณอันมหาประเทศสูตรท่านกลา่าวไว้อย่างนั้นอันเราก็ต้องศึกษาเทียบเคียงตรวจสอบต่อไปคืออาจจะศัทธาพันมะหมวดใดหมวดหนึ่งสูตรใดสูตรหนึ่งอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรปฏิเสธพระสูตรคาสอนหมวดอื่นๆด้วย เพราะว่าคําสอนทั้งหมดนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันก็คือคําสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมทั้งหมดทั้งแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันคือมรดกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตกทอดมาจนถึงพวกเราทั้งหลายอในมรดกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพ่อของเราจริงๆเนี่ยเราจะตัดมรดกส่วนนั้ น, น, นออกไปไหมเรากล้า ป, ปฏิเสธไหมถ้าหากว่า เรามีบุคคลที่เราเคารพคนใดคนหนึ่งนะถ้าเราเคารพคนคนนั้นจริงๆนะแค่เขาพูดมาเราเชื่อเลยถ้าเป็นคนคนนี้พูดเพราะเราเชื่อในในเขาคนนั้นมากมายนี่นี่ขนาดคนธรรมดาทั่วไปทีนี้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเราเนี่ยถึงกับกล่าววาจา ว, ว่าพู้ทางทำมังสังคังสรานางังค้าฉามีนะขอถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง แล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวไว้จะ ก, กล่าวไว้ที่ไหนก็ตามก็คือคำสอนของพระองค์เมื่อเป็นคำสอนของพระองค์เรากล้าปฏิเสธไหมถ้าคนที่กล้าปฏิเสธเนี่ยของอดัมาเนี่ยแปกว่าพูดไม่ออกแปกว่าขนาดสิ่งที่ที่เคารพยำเกรงที่สุดเขายังกล้าปฏิเสธคาของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ทีนี้ก็นอกจากเจริญกรุณาเจตสิกมากๆ ของธรมานี้ได้รับการแนะนำสั่งสอนมาว่าให้อธิษฐานไว้เถอะขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยขอสภาพเหล่านั้นอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยมีพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งธรรมาฯเคารพมากท่านบอกว่าผมเนี่ยจะมีส่วนชั่วส่วนเลวยังไงก็ช่างแต่ขอให้ผมเลวแต่เพียงผู้เดียวอย่าได้ไปพลาดทิ้งถึงพระธรรมคาสอนของพระ อ, องค์เลย อคําสอนที่สะอาดบริสุทธิ์ขนาดนี้ไม่ไม่ควรที่จะดึงมากล u กกล u วในในตัวของของท่านอ่ะนะท่านก็แสดงในลักษณะนี้เพราะฉนนั้ท่านเคารพยำเกรงมากในในพระธรรมคําสอนเพราะนั้นเวลาเราทั้งหลายศึกษาก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมแนละถ้าผู้ที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระพุทธเจ้าผู้นั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เขาจะเคารพในพระธรรม เมื่อเขาไม่เคารพในพระธรรมไม่ใช่ฐานะที่เขาจะเคารพในพระสงฆ์เมื่อเขาไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่ใช่ฐานะที่เขาจะเคารพในศิกข า, ข า, ข า, ขขาคือข้อปฏิบัติเมื่อไม่เคารพในสิกขาอย่าคิดว่าเขาจะเคารพในกัลยาณมิตรทั้งหลายนั้นศาสนานี้เสื่อมแล้วขณะนั้นเพราะว่าถ้าไล่เป็นขณะจิตขณะจิตใช่ไหมจิตขณะใดไม่มีศรัทธาจิตขณะใดที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะจิตขณะนั้นเนี่ยตกจากศาสนาน จิตขนาดนั้นมีศาสนาไหมมันมีแต่โลภะนะถ้าโลภะนั้นเป็นทิฏฐิด้วยโอ้โหศาสนาใครไปรู่ตอนนี้ไม่ใช่คําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่ฉะั้นขอให้เราพยายามตรวจสอบตรวจสอบพฤติกรรมคําพูดความคิดพระองค์สอนว่าเหมือนกับแว่นใช่ไหมที่พระองค์สอนพระราหุนเหมือนกับแว่นคอยสอดส่องตรวจสอบถ้าหาว่าตรวจสอบแล้วพบข้อเสียหาย สังเวทใจแล้วก็สมาทานเอาใหม่คือความผิดพลาดพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าอย่ามีแต่พระองค์บอกว่าความผิดพลาดเหล่านั้นที่มีแล้วสังวรต่อไปเธอสำรวมระวังต่อไปแต่ถ้าหากว่าเห็นข้อผิดพลาดแล้วไม่ไม่คิดจะทําคืนเขาเรียกว่าอารัชชีถ้าเป็นพระภิกษุนะถ้ารู้ว่าเออนี่เป็นอาบานะัติแล้วไม่คิดจะทําคืน ประเภทนี้เรียกว่าอารัชชีหรือรู้ว่าผิดแล้วก็ยังขืนทําทําแล้วก็ไม่ทําคืนนี่คือคุณสมบัติของอาัชชีผู้ที่ขานฮิริโอตะปะไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริโอตะปะในกุศลธรรมเมื่อเขาไม่เคารพในกุศลก็ น, น่าสงสารว่าเขาจะเคารพในพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเมื่อไม่เคารพในพระผู้มีพระภาคแล้วจักเจริญงอกงามในศาสนาของพระองค์ได้อย่างไร เมื่อไม่เจริญในศาสนาของพระ อ, องค์แล้วสังสารวัตเนี่ยนะหรือว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษของวัตตะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ที่เห็นโทษของวัตตะนี่ยนะสังสารวัตเนี่ยหรือชาติหน้าอย่าไปคิดว่าไกลนะพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณานจิตอยู่เสมอพึงทำใส่ใจเถอะว่าบางทีงูเงี้ยวเขี้ยวเสือจะมากัดก็เป็นเหตุให้ตายอาหารที่ขบฉันเข้าไปไม่ย่อยก็เป็นเหตุให้ตายอั้นเหตุให้เกิดความตายของเรามีมากมายมหาศาล มัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นะพ้นหรื อ, อยังเมื่อยังไม่พ้นเนี่ยพบต่อไปเนี่ยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโยมคิดว่าโยมจะไปเกิดที่ไหนดีในคนทั้งโลกเนี่ยนะห้าหกพันล้านคนเนี่ยห้าพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยคิดว่าจะไปเกิดตรงไหนดีส่วนไหนดีของโลกอ๋อมาท่านเลือกได้นะไม่เกิดเจริญพรใช่ เขาบอกว่าโลกมันหนา ม, มันเยอะเหลือเกินเราเดินแค่ว่าเข้าเหมือนก็เข้าไปในสวนน่ะนะรองเท้าไม่มีสายเนี่ยอืไปเหยียบอะไรนักก็ไม่รู้ชั้นใดเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยคือถ้ายุคคนอายุต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยน่าทังเกียจมากโชคดีอย่างหนึ่งนะยังสำนึกเสมอว่าโอ้โเราเกิดมาในยุคอายุต่ำกว่าร้อยปียังมีศาสนานี่คือว่ายังยังโชคดีบ้างแต่ถ้าหากว่าปกติตามเส้นทางชีวิตที่ดูดูแล้วเราไม่น่าจะได้เป็นอย่างเนี้ย ถือว่าเสี่ยงมากเลยของสมาเนี่ยถือว่าเกิดมาในมันตระกูลที่เสี่ยงมากและวิถีชีวิตที่เดินมาเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงต่อนรกจริงๆเลยอันอาชีพของเราหรือความเป็นอยู่ของของของตัวเองเนี่ยนะสังเกตดูเลยถ้าเป็นคารวาส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าสัตว์ไม่ตายเร า, เราไม่เราก็ไม่โตหมายค่ะว่าถ้าเราจะอิ่มเมอหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสัตว์ตายหลายตัวอัน มันเรียกว่ามันเป็นตราบาปนะซึ่งดูแล้วคงจะทําเหตุมันไม่ดีนะแต่ก็มันก็ยุติธรรมเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็เท่ากับว่าประกาศขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาคว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเหตุเราทําไม่มากนะแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเรายังประมาทอยู่อีกก็บอกว่านี่เรียกว่าโอกาสชั้นดีล้วเขาบอกอย่าปล่อยให้ขณะล่วงไปเลยเพราะว่าบุคคลที่ปล่อยให้ขณะล่วงไป ย่อมไปยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นนั้นมากแล้วเพรานำมาคำหนึงเสมอญาติเราไปอยู่ที่นั่นเยอะแล้วแต่คงไม่ไปเยี่ยมหรอกมีบุญมีอะไรก็จะอุทิศไปให้่นะแต่ไม่มีไ ม, ม, ม่ไม่อยากไปเลยพอแล้วเข็ดหนังกันแล้วบางแห่งเนี่ยนะเราไปในสถานที่บางแห่งเนี่ยนะคนเนี่ยไม่มีศีลธรรมเลยทั้งหมู่บ้านเลยนะโอ้โหจิตใจไม่รู้ทำด้วยอะไร ม, มาเจนทญธรรน้าน่ากลัวมากนะสภาพจิตเหล่านั้นเนี่ยจิตเหล่านั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วย เจตนาไม่ไร้ผลแน่เมื่อเจตนาไม่ไร้ผลนะแล้วบาปเขาจะไปเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมยังนึกเลยวันนี้นั่งรถมาก็สนทนากันถ้าผู้ใดปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศลผู้นั้นชื่อว่าขาดการุณาในตัวเองเขาไม่สงสารตัวเขาเองหรือไงเออปล่อยให้จิตไปเป็นบาปสร้างเหตุแห่งความทุกข์ทรมานไปให้ตัวเองตลอดเลยชีวิตเขาอาจจะยังมองผลระยะใกล้ไม่เห็น น้ำนมสดที่ยังไม่แปรสภาพคนก็นึกว่าไม่มีโทษแต่เมื่อไหร่ที่แปรสภาพออกมานะมันก็เป็นนมบูดนมเปรี้ยวไปอาหารที่ดูเหมือนอร่อยถ้าลืมเก็บทิ้งไว้เดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็เน่ารู้สึกเห็นโทษของของชีวิตมากขอมาถ้าไม่ได้ศึกษาก็ทำอีกส่วนหนึ่งมันดูน่าจะเป็นสกูลอุเฉททิฏิคือสามารถที่จะทาลายตัวเองได้เลย อ่ามันค่ะมันไม่ยินดีมันไม่ค่อยสนุกอะ่ะโลกมันไม่โสภาระทุกอย่างอันถ้าหากว่าเราไม่ไม่สำเนีกให้ดีๆนะศึกษาภูศาสนาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหกรรมที่เราทําแต่ละวันแต่ละวันอย่าปล่อยให้จิตเป็นบาปเลยแตปล่อยให้จิตเป็นบาปแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินคนที่ร้องเรียกสมหรับคนที่ให้ทานมาน้อยก็ร้องเรียกหาผลของทาน คนที่ทํากรรมประเภทเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะๆก็ป่วยไข้ก็ร้องเรียกหาความไม่ป่วยไข้คนที่มีหนี้มีศินเป็นต้นนะก็ร้องเรียกหาความพ้นหนี้พ้นศินคนที่มีลูกไม่ดีก็ร้องหาแต่ลูกดีๆคนที่มีความทุกข์ทรมานถูกเอารัดเอาเปรียบ ก, ก็ร้องเรียกหาแต่ความยุติธรรมต่างๆแต่ตัวเขาเองไม่มีความยุติธรรมตัวเขาเองไม่รู้เอาอะไรเป็นหลักว่ายุติธรรมที่สุดคืออะไร บางคนก็ถึงกับเรียกว่าเอากฎหมายบ้านเมืองมาเป็นหลักในการยุติธรรมแต่ก็นั่นก็ยุติธรรมระดับหนึ่งแต่เขาไม่เคยแสวงหาความยุติธรรมในจิตของเขาเลยจิตของเขาที่ร้องเรียกหาความยุติธรรมอันนั้นเนี่ยจิตชนิดไหนเขายุติธรรมกับตัวเองไหมเขาก็ไม่เคยใส่ใจเขาก็ถือว่าคนโน้นทําให้คนนี้ทําให้มีแต่โทษคนอื่นตลอดเลยแต่ถ้าพูดอย่างนี้ให้โทษตัวเองใช่ไหมก็บอกไม่ใช่เพียงแต่ให้เห็นว่า นั่นแหละอวิชาจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารเจตนาที่เป็นกรรมเหล่านั้นน่ะมันมีโทษอเมื่อกรรมเหล่านั้นมีโทษทําอย่างไรจรึงจะพ้นจากบ่วงกรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ศึกษาเรื่องปริญญาสามสัมปชัญญะสี่เป็นต้นนะทางอื่นไม่มีทางออกไม่มีทางออกที่เราจะพ้นจากเรื่องของตําเหล่านี้เลยนอกจากว่าทํากรรมให้ดีขึ้นเท่านั้นเพื่อสังสารวัตรบางช่วงดีขึ้น แต่กรรมในอดีตไม่ใช่จะไร้ผลถึงไปเป็นเทวดาอายุของเทวดาก็ไม่กี่ปีเมื่อเทียบกับสังสารวัตรอันยืดยาวเนีข้อความในพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวว่าสุขคติหรือทุกขติของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่พักชั่วคราวตากแดดก็ชั่วคราวเข้าร่มก็ชั่วคราวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ชั่วคราวเกิดเป็นมนุษย์ก็ชั่วคราว อันพระองค์จึงว่าทั้งหมดเหล่านี้คือกามกามนั้นจึงเหมือนกับความฝันเป็นเหมือนกับของที่ขอยืมเข้ามาไม่มีสาระอยู่ในตัวของสิ่งนั้นๆเลยอันถ้าหากว่าผู้ใดใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งอันจะต้องให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษแต่โทษของสิ่งเหล่านี้นะผู้ใดที่มองเห็นแต่อัตสาธะของสิ่งเหล่านี้ก็จะยินดีแต่ถ้าหากว่า มองอย่างถึงโทษของสิ่งเหล่านี้จะรู้ว่าโอสิ่งเหล่าเนี้น่ากลัวที่สุดแล้วชีวิตของเรานะถ้าเราปล่อยให้บาปอากุศลมันเกิดมากๆเราเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดถ้าหากว่าไม่ให้ทานเอาไว้แล้วอดอยากหิวโหยใครอดถ้าหากว่าเราทํากรรมประเภทเบียดเบียนสัตว์ไว้มากๆใครป่วยถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะๆใครอายุสั้นใครตกนรกถ้าหากว่าลักทรัพย์ทรัพย์สินเสียหายใครเสียหาย ประพฤติผิดศีลข้อสามเนี่ยนะโทษภัยต่างๆศัตรูเยอะเป็นต้นใครเป็นคนรับมุสาวาศไปที่ไหนมีแต่คนหลอกลวงใครเป็นคนรับถ้าเดิมเล่าเมาสุรามากๆเป็นปัจจัยให้บ้าใบ้สติปัญญาวิปลาสใครเป็นคนรับก็เจ้าของเจตนานั่นเองแต่ว่าเจตนาขณะนั้นยังไม่แปรสภาพใช่ไหมเพราะว่ากรรมบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปชาเวทนิยกรรม กรรมบางอย่างเป็นอภราปริยะเวทนียกรรมไม่ต้องร้องเรียกถ้าปัจจัยพร้อมเขาให้ผลแน่ไม่ต้องร้องเรียกของมาเนี่ไม่ต้องร้องเรียกเลยถ้าร้องมาทันทีเนี่ยนันประโยคน่าสมบัติให้มากๆกันแล้วกันประโยคน่ารอดก็เอาตัวรอดถ้าประโยคน่าไม่รอดเนี่ยแ yeah. ย่ใครๆก็บ่าขอโอกาสเข้ามาแก้ตัวนะแก้ตัวพ้นหรือไม่ก็กําลังศึกษาทายาสัยของเราเอ๊เราจะแก้ตัวทั้งแดดหรือเปล่าเนี่ย ขอกล่าวถึงข้อความในพระสูตรต่อไปอีกดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกำเนิดก่อนและการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำศัพ์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อถือไม่พูดลวงโลกก็คือรักษาศีลข้อมูสาวาตอย่างนีเลย ก็คือมามาพูดแต่คำสัตว์พูดแต่คำจริงมีคำพูดเป็นหลักฐานเชื่อถือได้ไม่ลวงโลกไม่หลอกลวงใครทั้งนั้นคำนั้นเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะมีหลายอย่างเช่นวจีสัจจะกล่าวเป็นวจีสัจจะตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตน ร, รมสังสมพ่อพภูนภัยบุญ เมื่อก่อนเนี่ยนะเอ๊เราไม่โกหกเฉยๆเนี่ยไปสวรรค์ได้แล้วทำไมไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคือคือคิดว่าเอ๊ะการไม่พูดเท็จเฉยๆเนี่ยก็ก็ไปสวรรค์ได้นีเพราะว่าสมัยที่นั้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นที่ทําให้เกิดการวีรัตงดเว้นจากการพูดเท็จเนี่ยเป็นอย่างรังอันไม่ไม่เข้าใจในลักษณะของกุศลแต่ถ้าหากว่าผู้ที่สมาทานสมาทานการใช่วาจาศึกษาในเรื่องการใช้วาจา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 ถ้าผู้ที่ศึกษาในการใช้วาจามาเป็นอย่างดีจะไม่เดือดร้อนเพราะการใช้วาจาก็เคยเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านนั่งชมจันทร์ในวันพระจันทร์เต็มดวงคล้าว่าพระท่านก็อยู่ในป่าในดงอ่ะนะียอยู่ในที่เงียบสงัดก็เหลือบตาขึ้นก็เห็นดวงจันทร์พอเห็นดวงจันทร์ปั๊บท่านก็พิจารณาว่าเอ๊ดวงจันทร์นี่ช่างบริสุทธิ์จริงหนอปราศจากเมฆหมอกชัดเจน ผ่องใสเหลือเกินอย่างนั้นเออแล้วระว่างดวงจันทร์กับศีลของเราเนี่ยไห น, น, นจะบริสุทธิ์กว่ากันท่านก็บอกว่าในดวงจันทร์เนี่ยนะยังมีรอยมีรูปดูเป็นของหน้าตําหนิอยู่แต่ศีลของท่านเนี่ยไม่มีข้อหน้าตําหนิแม้แต่ข้อเดียวเลยคารวะว่าพอคิดได้อย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะมันอิ่มใจคยกว่าเคิดว่าปีติทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นคิกว่าไม่มีส่วนไหนที่ในร่างกายที่ปีติเข้าไม่ถึง ปีติเนี่ยเออบอาบทราบซ่านไปทั่วสารพางกายหมดแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นบนรรลุเ็นผาระหรันเลยสำหรับพนมีบุญเขาอ่ะนะอันในเบื้องต้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องสมาทานในการใช้วาจาสมาทานในการใช้วาจาจนกว่าจะรู้จักพูดเป็นคำสัตว์พูดเป็นคำจริงพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ แล้วก็การใช้วาจานี้ก็เป็นหนึ่งในมัสมีองแปดเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยใช่ไหมเป็นมัสมั้ยเป็นสัมมาวาจาันถ้าหากว่าเราใช้ยังไม่ถูกก็ไม่คู่ควรกับการพ้นทุกข์ถ้ายังใช้วาจาไม่เป็นก็ไม่คู่ควรแก่การตรัสรู้ธรมรมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนชำนาญอะ่ะที่ว่ามุสาวาทานนะเวรมนิสิกขาตัวนี้เนี่ย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 อาศัยพื้นฐานมนุษยธรรมอันนี้แหละเพื่อหาอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมนั้นก็คือฌานอภิญยามมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอุตตริมนุสธรรมถ้าหากว่ามนุษยธรรมยังไม่มีแล้วอุตตริมนุษยธรรมจะเป็นได้อย่างไงเพราะฉะนั้นมนุษยธรรมนี่ก็ต้องฝึกให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์แต่ไม่ไม่เนี่ยนะเขาใช้คําว่าฝึกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นปุริสธรร ม, มสารถทิพพุทธเจ้าเป็นผู้ที่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 เธอควรคิดอย่างนี้นะเธอควรพูดอย่างนี้อย่างนี้อยากคิดคิดอย่างนี้มีโทษระดับนี้คิดอย่างนี้มีโทษระดับนี้คิดอย่างนี้มีโทษระดับนี้ท่านแบ่งให้เราหมดเลยท่านแยกแยะเป็นวักเป็นต่หนูพระองค์นี่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเรามากมายนามัสศัตรถ้าหากว่าเราไม่ได้พระธรรมคําสอนเนี่ยโอ้ชีวิตของเราจะน่าสงสารไปอีกขนาดไหนแต่ต่อไปนะว่าอั น, นิสงส์ของพระองค์ที่งดเว้นจากผู้เท็ศแล้วมาพูดคํำสาดคำเกียร์เป็นต้นเนี่ย ทำให้ได้มหาบุริสลักษณะสองอย่างสองอย่างก็คือมีพระโลมาขมละหนึ่งเส้นมีขนขมละเส้นนะนะและมีอุณาโลมในระหว่างคิว้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุยฝ้ายก็คือตรงหน้าผากกันนะมีขนระหว่างคิ้วนี่เรียกว่าพระอุณาโลมสีขาวเหมือนปุยฝ้ายนี่เป็นนิมิตของผู้ที่ไม่โกหกมา พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้รับอานิสงส์พิเศษเพิ่มอีกก็คือเป็นที่ประพฤตตามของมหาชนมหาชนเนี่ยประพฤตตามไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ขุหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจย์มหาอ ม, มาตย์กองทหารนายประตูอา ม, มาตย์บริษัทเจ้าเศรษฐีราชกุ ม, มารคนทั้งหลายก็ประพฤตตามท่าน มหาชนเนี่ยประพฤติตามเอาแบบเอาเยี่ยงอย่ากซึ่งมีในบางสูตรกล่าวว่าดูก่อนมหาบพิษถ้าหากว่าพระองค์ประพฤติธรรมสนมนางในของพระองค์ก็ประพฤติธรรมด้วยเมื่อพระองค์ประพฤติทำข้าราชการอํามาทั้งหลายก็จะประพฤติธรรมด้วยเมื่อพระองค์ประพฤติธรรมชาวชนบทชาวแว่นแขวนก็จะประพฤติธรมด้วยอันพระราชาถ้าประพฤติธทำปั๊บคนเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างหมดเลย ถ้าหากว่าท่านออกบวชจะเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลพิเศษเพิ่มอีกก็คือเป็นที่ประพฤตตามของมหาชนไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูร น, นาบคนทันคนเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ ประพฤติตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญรอยตามพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์เจริญพระองค์ให้ว่ายังไงก็เอาเอาหมดน่ะพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพลักษณะนั้นว่าในชาติก่อนๆพระมหาบุรุษมีปฏิญญาเป็นสัจจะปฏิญญาก็คือการใช้คํานั่นเองมีพระวาจาไม่เป็นสองเว้นคําเหลยวไหล ไม่พูดให้เคลื่อนคลาดจากใครๆตรัดโดยคำจริงคำแท้คำคงที่มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดอ่อนดีดังปุยนุ่นเกิดในระหว่างพระขนงในคุมพระโลมาทั่วไปไม่มีพระโลมาเกิดเป็นสองเส้นมีพระสริระอันพระโลมาเส้นหนึ่งๆขึ้นสะพรั่ง พวกผู้รู้พระลักษณะฉลาดในนิมิต ท, ที่ปรากฏเป็นจํานวนมากมาประชุมกันแล้วทํานายพระมหาบุรุษว่าพระอุณาโลมตั้งอยู่ดีโดยนิมิตบ่งว่าชนเป็นอันมากย่อมประพฤติตามบุบงบอกถึงลักษณะของว่าหูทำอะไรมีคนเจริญรอยเอาแบบเอาอย่างเอาเยี่ยงอย่างพระมหาบุรุษแม้ดํารงอยู่ในขีหิวิสัยมหาชนก็ประพฤติต่าง เพราะกรรมที่ทรงทําไว้มากในชาติก่อนหมู่ชนย่อมประพฤติตามพระมหาบุรุษผู้ตัดกังวลทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้สงบขนาดท่านออกบวชยังมีคนออกบวชตามท่านเลยพระราชาลายคนออกบวชอย่างพระเจ้ามหากรีนะนี้ก็สละราชสมบัติออกบวชอันพระราชาที่ออกบวชเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีหลายพระองค์มากถึงว่าสีเนี่ยนะ ลราฟังฟังดูนะถ้าไม่ศึกษาก็ดูมัน ok. ไม่น่าจะอะไรลึกลับไม่น่าไม่น่าจะยากนะเช่นสมมุติว่าข้อปานานี่นะข้อปานาติปาตาเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยนะเรายังต้องเมตตาด้วยนะเพราะศีลนอกจากวิรัตนี่นะคือไม่ทําแล้วเนี่ยนะศีลยังต้องทํำสิ่งที่ตรงข้ามด้วยนะถ้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วต้องเมตตานะถ้าไม่พูดทุจริตนะต้องพูดสุจริตด้วยแล้วพูดด้วยความเมตตาพูดที่เป็นพูดขอประโยชน์ด้วย เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะเพียงแต่ว่าเราไม่พูดเท็จแบบพูดจริงอย่างเดียวก็ไม่ถูกอยู่แล้วอ่ะพูดจริงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดเกิดความเสียหายเยอะแยะมีเยอะแยะไปไม่ถูกการละเวลาไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกอะไรนู้นเยอะแยะนะครับเพป็นคําว่าสิกขานี้ผมน่าสนใจนะเมื่อกี้ทําไมจึงต้องพ่วงกมาวปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประดังนี่นะในหลวงแปลให้ครบให้ทั่วหน่อยดิครับ เอข้อเอาข้อมุสานี่ครับมุสาวาดานมุสาวาทาเวรมณีศึกษาประทังสมาธิยามีนี่ยนะมีตัวหลังนี่บอกว่าข้าพเจ้าขอสมาทานน่ยนะสมาทานเนี่ยนะสมาทานเวรมณีวิรัตงดเว้นศึกษาในการงดเว้นจากการพูดเทศมีศึกษาเข้ามาอีกคำหนึ่งเนี่ยศึกษาก็คือสมาทานการใช้วาจาให้ศึกษาให้ดีนะเพราะว่าธรรมะพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลหมดอะ เป็นเรื่องกุศลหมดอะถ้าทำแล้วเป็นอ ก, กุศลเนี่หมายความว่านั่นห ล, ลักหลประพฤติปฏิบัติเนี่ยผิดแล้วไม่ตรงวัตถุประสงค์ของพ<ต>่อแม่คำจริงนั้นสมุตฐานต้องเกิดจากถ้าถ้าจริงนั้นต้องจริงใจด้วยเพราะว่าการใช้วาจาเป็นจิตตชั่วรบใช่ไหมอ่าเมื่อเป็นจิตตชั่วรบนั้นถ้าคานั้นจะจริงสมบูรณ์ต่อเมื่อหนึ่งนะความจริงอันั้นพูดด้วยความไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบด้วยเมตตาจิต หวังดีปรารถนาดีไม่หวังให้เขาแตกแยกกันเป็นคําพูดที่มีประโยชน์มีคุณค่ามีสาระคนฟังแล้วเขาสบายใจเขาฟังแล้วจิตเขาสร้างสรรค์ขึ้นลักษณะนั้นจึงจะเป็นลักษณะของการใช้วาจาที่ดีมีสาระมีประโยชน์จริงๆเพราะบางอย่างเนี่ยจริงแต่ความจริงบางอย่างเป็นกุศลหรืออกุศลความจริงบางอย่างเป็นอกุศลความจริงบางอย่างเป็นกุศลความจริงบางอย่างเป็นอัพยากตะ ในความจริงที่เป็นกุศลใกล้ต่อกุศลต่อไปแต่ความจริงที่เป็นอกุศลก็ใกล้ต่ออกุศลด้วยจริงเหมือนกันแต่ความจริงบางอย่างก็ทําให้ตกนรกนั่นเองฉะนั้นคําจริงนั้นอ่ะสัจจะบางอย่างก็เป็นกุศลสัจจะบางอย่างก็เป็นอกุศลจะบางอย่างก็เป็นอัพยญาตะสัจจะบางอย่างควรละสัจจะบางอย่างควรเจริญสัจจะบางอย่างควรกําหนดรู้สัจจะบางอย่างควรทําให้แจ้ง พันไอ้จริงเนี่ยกิตของความจริงมีตั้งหลายอย่างมันจะไปพูดตามโอ้จริงอ่ะเมื่อจริงที่ควรละนะครับมักุศล น, นะครับเช่นพานถ้าพูดถึงว่าสีนี้ครับก็มีวิรัตใช่ไหมครับคือเว้นใช่ไหมครับแล้วมีจาริตรสีด้วยนะต้องปฏิบัติด้วยนะเจนพานถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ต้องเมตตาด้วยนะเวลาไม่รักทรัพย์เนี่ยไม่พอนะะต้องมีจาระฆะมีเผื่อแผ่มีการบริจาคด้วยนะ หรือว่าถ้าหาว่าไม่พูดแท้ยังต้องพูดอ่อนหวานด้วยอย่างเนี้ครับผมว่ามันเป็นขึ้นของสิกขาทั้งนั้นเลยเใช่ไหมครับกรรมบวชสี่สิบไปเลยกรรมบวชสี่สิบอ่ ะ, นะ ก, อะก็คือสิบนั่นแหละขยายเป็นสีหนึ่งใช่ไหมไม่ทําเองไม่ชักชวนผู้อื่นเมื่อคนอื่นทําไม่ยินดีประเภทเนี้เชิญพอนันไม่ไม่ใช่มีอย่างเดียวใช่ไหมคือธรรมะที่ว่ามันฟังแล้วคําโดดๆนะคือเราไม่รู้รายละเอียดในเรื่องนะ หรือเราไม่สนใจในเรื่องนั้นเลยนึกว่าเข้าใจแล้วแต่ในทุกเรื่องเลยนะถ้าเป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะอ่าของว่าใช้คําลักษณะแ ต, ต่อจิกซอในหนึ่งคำนั้นจะขยายไปเรื่องอื่นได้แตกแขนงมากมายมหาสารก็พระองค์แสดงเรื่องกรรมบทเนี่ยเขาฟังแล้วบางคนเขาบรรลุมรรคผลนะ่เราฟังก็เฉยเฉยนี่ก็แสดงว่ามีปัญหาแนละ้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรานี่มีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนเนี้ยอ่อนมากเลยในเรื่องนั้น นะฟังเรื่องไหนแล้วไม่ปลื้มใจนะขอให้รู้เธอว่าเรื่องนั้นแหละเราไม่รู้เรื่องเลยทั้งแกดูเวลาอ่านพระไตรปิฎกเหมือนกันนะสูตรไหนอ่านแล้วเฉยเฉยแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องเลยสูตรนั้นสูตรไหนฟังดูเหมือนซึ้งเหลือเกินแสดงว่าอพอเข้าใจในสูตรนั้นนะเพราะนั <c oughs> ้นขอมาจะให้ค่าสูตรไหนที่เราอ่านแล้วเฉยเฉยเนี่ยจะกลับไปอ่านใหม่จะใส่ใจเป็นพิเศษสูตรที่เราไม่สนใจจะได้กลับไปคน้นเอ๊ะทาไมเราจึงไม่เข้าใจทําไมไม่ศรัทธา ถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนะศึกษาพระธรรมใหม่ๆเรื่องที่อ่านผ่านเลยคือไตสรสารณคมรเข้าใจสบายพลิกพลิกิ ก, ก, กเออเนี่ยพุทธธรรมแต่เอาพระธรรมพระสงฆ์อู้สบายมากนะมาตอนหลังๆเรื่องศีลเหมือนกันปานาดีปาเตา้าอู้เพลียได้เลยสบายสบา ย, บายเรื่องนี้สบายอยู่แล้วพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะนะกลับมาค้นใหมอ่อย้ยากยากไปเรื่องที่เราว่าเราเข้าใจอีกกลายเป็นโอ้โหเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากลองคิดดู ถ้าเราเข้าใจเรื่องไตรสรณคมจริงๆนะไตรสรณคมมีกี่อย่างนะสองอย่างคือโลกิยะกับโลกุตรสรณคมแล้วเราเนี่ยโลกิยะสรณคมนั้นการถึงไตรสรณคมมีกี่อย่างแบบโลกิยะด้วยการนอบน้อมเป็นต้นด้วยการนอบน้อมด้วยการมอบกายถวายชีวิตด้วยการอุทิศตนเป็นสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วลักษณะว่าขอเป็นสิทธ์ท่านอ่ะเออสิทธ์ที่ดีเขาคิดยังไงกับกับอาจารย์อย่างเงี้ย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 จะจะเป็นลักษณะนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองจริงๆเลยถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองจริงๆเราก็ตกตกจากศาสนาพอมานึกๆยังไงก็ยังนึกถึงคําเดิมว่าขอเราอย่าเพิ่งเสื่อมจากศาสนาเลยยังไงศาสนาเสือ่อมแน่นอนดวงอาทิตย์เนี่ยนะแสงสว่างของโลกเนี่ยก็ยังร่วงลับไปพระพุทธศาสนาอย่างไรก็เสื่อมแต่อย่างไรยังไงก็ขอเราอย่าเพิ่งเสื่อมและขอเราอย่าเป็นปัจจัยแห่งความเสื่อมของศาสนาเลย อันนี้ก็ถือว่าโอ้ประสบความสําเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะจนพางสตวานะสังวเรปัญญาสีลมัยญาณคือปัญญาที่ที่ฟังแล้วสังวรสํารวมระวังเอาไว้นั้นเป็นสีลมัยญาณคือหมายคำ ว, ว่าฟังเรื่องสุดตะมัยญาณมาเป็นอย่างดีอย่างละเอียดละ อ, อ่ละสามารถที่จะสังวรสํารวมระวัง ปัญญาที่เกิดร่วมในขณะที่สังวรสัมรวมระวังนั้นเป็นศีลมยยาก็คือวีรตีเจตสิกเกิดร่วมกับปัญญาได้ไหมได้และอย่างหนึ่งศีลไม่ใช่อย่างเดียวใช่ไหมเจตนาอะไรคือศีลเจตนาศีหลังเจตนาเป็นศีลเจตสิกะศีหลังเจตสิกเป็นศีลสังวรศีหลังสังวรก็เป็นศีลอาวีติกัมะศีลศีลมีตต้งหลายอย่าง ในศีลเหล่านี้เนี่ยมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยปัญญาเจตสิก ท, ที่เกิดร่วมกับศีลชื่อว่าศีลละมยยัยญาติญาณที่ที่เกิดขึ้นสําเร็จเพราะศีล น, นั่นแหละอาศัยศีลปัญญาเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นศีลที่เป็นญาณสัมปยุทธ์ด้วยเนี่ยไม่ไม่ใช่เจริญง่ายๆ่ศีลทั่วไปนี่ส่วนใหญ่จะเป็นศีลญาณวิปยุทธ์ซะส่วนมากอาจจะมียาณสัมปยุทธ์ก่อนหน้านั้นเออเหน็นแ้วนี่ต้องการรักษาศีลเลยรักษาศีลเลย แต่ในขณะรักษาศีลจริงๆเนี่ยนะที่เป็นยาณสัมปยุตวินิฉัชในเรื่องศีลจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่อนมากอ่อนมากในเรื่องศีลอันนั้นวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้